อนำน้ำต่อปลาไตรต่อให้ความเคารพมยังพ่อกรมรประเพณีมาตานรวมั้งพระเทลาน์โนเละเพื่อนสารกธรรมิกทกระตุครูบเจริญพรไมอย่างบุญแม่ชีนะธรรมะสวัสดีไม่ยัางยติธรรมทุกท่นานเช้านี้ก็เป็นเช้า วันจันทร์ที่23กันยายนพศสองพันอยตรงกับแรม4ี่ขามเดือน10เวลาก็ผ่านไปผ่านไปเรามารวมตัวกันเจริญสติฝึกสติการฝึกสติก็ทำให้ชีวิตเรา เป็นชีวิตจริงๆเป็นชีวิตที่ใหม่อยู่เสมอในร่างกายเดิมในร่างเก่าๆแต่ว่จิตเป็นจิตดวงใหม่อยู่เสมอเราเป็นจิตที่ปกติด้วยนะการเจริญสติฝึกสติสติก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ พาเราดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จก็ว่าได้สติปัญญาพาไปเหมือนกับเราเล่นเกมกับชีวิตของเราเนี่ละเป็นเกมกีฬาระหว่างเกมตัวรู้รู้สึกตัวกับตัวหลงกีฬามันพัฒนา ร่างกายจิตใจของเราร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็คล่องตัวว่องไวกีฬาแต่ว่าที่เราฝึกกันอยู่เป็นชานกีฬาเป็นภาษาตรงๆเลยภาษาอินเดียชา น, นะแล้กีฬาชานหมายถึงที่พักกันนะที่พักปกติเราจะพักกายพักใจของเราพักกายก็นอนหลับจะมีคําว่า ถ้านอนไม่หลับกินไม่ได้ก็คือนักโทษทหารถ้านอนหลับแลก็ไม่ได้นอนหลับอย่างสนิทนอนไปคิดไปก็ชื่อว่าไม่ใช่การพักผ่อนอย่าอ้างว่าพักผ่อนพักผ่อนที่แท้จริงก็คือพักกายพักใจร่งางใจยของก็ผ่อนคลายนอนไม่เก่งอย่างนี้นะ ก็นั่งเดินยืนมาทั้งวันแล้วก็นอนมาเกิดแล้วก็นอนพักพักกายแต่ว่าใจเราได้พักหรือเปล่าเราเนอนไปฝันไปนอนไปคิดไปนั่นการพักจิตก็คือออกมาจากความคิดออกมาอยู่กับความเป็นปกติธรรมธรรมชาติของจิตคือปกติตัวนี้เราเราต้องสรรสร้างเอาพอเตรจะเพิอมจะหลงนะ ทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้นทางกายทางใจการปรุงการแต่งอารมณ์อยู่กับอารมณ์มาข้ามวันข้ามคืนแต่เราเป็ผู้ที่เจริญสติแลเมื่อเกิดล้วก็ไม่ได้นอนกับอารมณ์เรานอนเพราะว่ามันพักกายมันพักใจมันพักมันมันพักเป็นมันพักเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีการเพียรมีการพักแล้วก็ไม่ใช่เพียรไม่ใช่พัก มันมีอยู่เราได้เห็นร่างกายจิตใจของเราเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นอาการกิริยาต่างๆเป็นเหตุปัจจัยที่มันเป็นเองตามกฎของธรรมชาติมันก็เป็นเกมกีฬาทุกครั้งที่เรากลับมาได้กลับมาสู่ความเป็นปกติกลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทุกครั้งที่กลับมาเปนการปลุกจิตให้ตื่นปลุกจิต มันจะสว่างแล้นะสว่างที่กลางใจของเรานี่แหลนะมันสว่างสวัยตื่นตัวดีเพราะว่าตัวสติเป็นชากริยานุโยคนะชากริยานุโยโคลสติการ ร, กรู้นะชาโยโคลก็นะคือความสว่างสวัยมีสติก็มีปัญญานะปัญญาโลกาสมิงปัญญาสว่างแจ้งโลกมันสว่างทั้งวันทั้งคืน พระทิตสว่างกลางวันพระจัน์สว่างกลางคืนตอนนี้ข้างแรมนะข้างแรมแรมสีข้ามกผ่านเดือนดับมาไม่กี่วันนะก็ยังมืดอยู่แต่ยังพอมีแสงแสงริบหรี่ริบหรยังมีความหมายเวลาเราจเจริญสตินมันมีความหมายตอนที่เรามีความทุกข์สุดๆเนยมันบับๆแบมแบมับม๊บๆแบมก็พอจะมีความหวังของชีวิต มีทางออกของมชีวิตเราได้มาฝึกกันบางคนก็สว่างมากบางคนก็สว่างน้อยสว่างมากก็ง่วงน้อยสว่างน้อยก็ง่วงมากหน่อยอ น, นี้วาระธรมันกินเอานันเป็นธรรมชาติมันต้องใช้ตอนนอนแต่พอมาตอนที่ตื่นแล้วกแสดงว่าเออก็จะต้องปลุกตัวเองให้มันตื่นโดยการทําความเพียร การเคลื่อนไหวรู้สึก14จังหวะนี่มันเป็นเรื่องของการทําความเพียนในวันในรูปแบบของการฝึกการหัดเราก็ใช้เป็นห้องเรียนห้องเรียนห้องฝึกห้องหัดวิชากรรมฐานกันส่วนห้องสอบใน ว, วันนี้ญาติโยมจะถอ้ออกไปเจอห้องสอบแล้วทางตาทางหูจะหมุนมันเป็นห้องสอบโลกทั้งใบนันเป็นห้องสอบถ้าตีโจทย์ไม่แตะเฉลยไม่ได้มันก็ติดกลับ กับถังความทุกข์กับถ่างกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเกิดที่ความคิดของเรานี่แหละคิดแล้วกอดแ ล, ล้วกุมแ ล, ล้วกลัวกังวลกิดล้กลายเป็นเรื่องของกามราคาต่างๆมากมายพอใจไม่พอใจราคาปอดีคะยินดียินไลฟ์ชอบไม่ชอบสุขสุทุกข์ทุกขอยู่นั่นแหละมันมีตัวกลางอีกตัวหนึ่ง ถ้ามีตัวสติตัวปัญญากลับมาหาความรู้สึกเป็นก็เหมือนกับเกมกีฬาเลยหนึ่งแต้มของตัวรู้หนึ่งแต้มของสติของปัญญาเคลื่อนใหญ่ขนาดไหนก็ตามเคลื่อนความคิดเมื่อเรามีรูปแบบของการปฏิบัติมีการฝึกหัดดีรู้จักฐานกายฐานเวรนาฐานจิตฐานธรรมก็เหมือนกําลังหิว้วกระดานโต้คลื่นลงไปในทะเลเลยเสร็จแล้วพร้อมประชิญเลยพายเข้าหาคลื่นเลย พอเห็นแล้วเคลื่อนมันมาแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดความงดงามสวยงามสนุกสนานตื่นตัวได้ขี่บนกระดานให้เคลื่อนมันไล่ผักโอ้สนุกสนานไปเลยอันนี้คือเล่นเป็นคนเล่นเป็นเมดาพผดดามโปรสำลักเราก็ต้องฝึกหัดกันหน่อยจนกระทั่งมันทําเป็นปฏิบัติทํามจนทําเป็นมันถึงจะเห็นผ ล, ลก็เห็นคุณค่า มันจะเกิดศรัท ธ, ธาแล้วก็เสื่อมยากเรียว่าศรัทธาสำปรยุทธ์ไม่ใช่ศรัท ธ, ธาวิปยุทธ์แต่เป็นศรัท ธ, ธาวิปยุทธ์นี่ยนายมันเลือกที่รักมันมักที่ชังมันนคติเก่งมันไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวไม่สร้างความสุขจากภายในมันเป็นความสุขจากการได้ทําออกไปแบบทุศีนใจโลสติอยู่กับรูปลดกลิ่นเสียง ใจหลงสติของการปรุงแต่งใจหลงสติอยู่กับอารมณ์ใจหลงสติอกับโลกทั้งใบเนี่ลงการปร่งการแต่งต่างๆสุขสุทุก ๆ, ๆุกกระเด็นกระดอนดำปุดดำโผล่ลมลุกโกการชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราฝึกความรู้สึกตัวมันมั่นคงนะเราได้หลักกรรมฐานนะเห็นแล้วโอ้มันมั่นคงเนี่ยตัวเนี้ย มันจะเป็นกับทุกคนเลยเมื่อเข้าอารมณ์กรรมฐานอย่างน้อยๆก็ต้องได้สัมผัสกับปิติธรรมอย่างน้อยๆมันจะได้สัมผัสกับความสงบใจอย่างน้อยๆมันได้สัมผัสกับความสุขเดี๋นเป็นความสุขแบบเย็นๆไม่ใช่แบบสุขเผาสุขจี่สุขเกือบตายสุขที่คุณดื่มได้ เป็นความสุขการที่เราอยู่กับเนื้อกัะ ต, ตัวของเราเนี่แหละนั่งเดินยืนนอนจิตใจมนปกติอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาตื่นตือนอยู่นสุขดีเนเป็นความสุขที่เราโอ้เมื่อก่อนต้องวิ่งวันไปเลยได้ข่าวว่ามีงานโชว์งานโฮมโปรโชว์สินค้าที่ไหนมีของใหม่เอสแฟอแอโร่ ขายที่ไหนราคาถูกแห่ไหมขายแค่ไหนก็ไปขายดํามันไม่คิดนะถือว่าไปแล้วก็ได้ของถูกเงี้มันถูกไม่กี่บาทหรอกเผราะเป็นของปลอมด้วยนะแต่เราก็ไปกันได้ถูกก็ปลุกกระตุน้นแล้วก็ถูกลแล้วเราก็หลงกลเขาเพราะเราอยู่กับตัวเองไม่ได้นั่นเองแต่พอเราฝึกความรู้สึกตัวไม่ได้มีความหมายอะไรเล ย, เลยก็โฆษณาชวนเชื่อ่ โฆษณาชวนชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วหรอกเราก็ไม่ได้เชื่อตามนั้นเราก็เห็นว่าเอยสิ่งที่ควรทําขนาดนี้ก็คืออะไรก็คือการรักษาใจของเราให้มันปกติทําเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมา ย, ยิ่งขึ้นไปแล้วพัฒนาการในรูปแบบนอกรูปแบบนั้นเป็นพัฒนาการของชีวิตเราที่เรามีความหวังเราไม่ได้รอให้ใครมาช่วยเราแต่เราจะช่วยตัวเองเดินได้ลาแข่งของตัวเอง ก้าวเดิขาของตัวเองโดยมีหลักการเดียวกันองค์สมเด็จสมัมมาฯของเจ้าทัานชีเอาไว้ชัดกนะารเจริญสติปัญญานในสติปัญญานสูตรชี้เอาไวช้ชัดๆเลยการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้ท่านก็ทําสําเร็จมาแล้วนะในวันเพ็นเดือน6กขึ้นสิบห้าายามสามปีลกาเป็นวันพุธหลวงพ่อนะเทียนท่านก็พูดเอาไวนะ้ให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดนะให้เห็นมันนะให้ดูมันให้เห็นมัน เรขว้างเขียนก็ท่นบอกว่าให้ดูอย่าเข้าไปเป็นดูแล้วเห็นเห็นแล้วอย่าเข้าไปเป็นท่านก็พูดไว้ชัดฝึกเตะการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้เห็นใจที่เวลามันแวบแวบแแวบแเป็นจิตเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนถ้าขี่ฉาริศยางะขี่ฉาลิษยางะนั้นเป็นอุปกิเลศ ความกวโกรธกรธมากมายเป็นจริตนิสัยก็เป็นอุปกิเลสนิดหน่อยก็งดเงียนิดหน่อยก็ไม่พอใจเราได้เห็นมันหรือไม่อาการเหล่านี้มีที่ตัวเรากระทำส่วนก็ทำลายตัวเองก็ทำลายผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเราก็ดูมันเห็นมันผ่านกลไกของการฝึกหาสตินี่แหละยกมือสร้างจังหวะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามากมายแล้วกัน อาการของกายก็โอ้โมีจำนวนไม่น้อยท่าสี่ปันป่วนอาการของจิตใจก็มีไม่น้อยนะกิเลสตัณหาอปทานต่างๆยึดอยู่นั่นนะถ้ายึดถูกก็ดีไปยึดเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเข้าใกลพระรัไตเป็นอุภาสกบาศิกาอย่างี้ยึดเอาถือเอาแต่ ถ, ถือท้ายสุดล้วก็เอาใช้ประโยชน์ด้วยนะม่ถือไว้โกโก้ถือไว้อวดกัน ย่อจะกลายเป็นลนักษณะของไม้จันท์ไม้แดงมีกลิ่นแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันหลบซ่อนอยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นลนักษณะของลักษณะนมนุษย์ภูมิคุ้มกันหนาทึบปัญญาน้อยมันก็ใครยเป็นเรื่องของการหนักอกหนักใจมีธรมธรมะแบกทํามะหนักตายเลยนะไม้แดงดูนอกไปออกสีข้างในมีสีแดงดูแข็งขัน มีธรรมะจำกรวดมาอวดกันพูดคุยกันเกทัพกันส่วนในนั้นซ่อนเนบตะเข็บในเก่ยวกเรื่องของธรรมะที่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์กันามาใช้เพื่อให้เกิดโทษไม่ได้เกิดคุณค่าต่างๆกับตัวเรากับผู้อื่นอันนี้คือสภาพธรรมที่เราเห็นอยู่ตามธรรมชาติสังคมกำลังจะโวอวดกันหรือว่าหลอกกัน เป็นเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวการคิดการพูดกันทําปากอย่างใจอย่างต่อหน้าละมาพับรับหลังตะโกนเป็นเรื่องที่เราก็เห็นในตัวเรานี่เองจิตของเรามันหลอกเก่งมันหลอ่ pex, ลอลวงเราเพราะนั้นเรามีหลักของกรรมาถามเรากลับมาหคาความรู้สึกตัวเนีน่ยรู้เนือ้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวปัจจุบันขณะวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งนะ ความเร็วของมันการเคลื่อนมือสิบสี่ชั่หวกก็ต้องหาเอานะสังเกตที่ตัวเราบางทีเร็วมันเป็นยังไงอ่ะรัวช้ามันเป็นยังไงสังเกตเอาจนถึงมันพอดีพอดีจะทางช้าก็ได้เร็วก็ได้พอดีก็ได้เวลาเร็วเวลาไหนมันคนเร็วนมันขับรถยนต์ถ้าขับไม่เป็นเนาโอ้อันตรายนะรถยนต์เนี่ยมีความเร็วมากแต่เราก็ไม่ได้ใช้มันมีความเร็วน้อยแต่เราก็ขับ ครับโดยที่ไม่รู้สถานที่กาลเทสัถนนกว้างๆรถก็เร็วอย่าเราไปวิ่งสชา้าอย่ก็กลายเป็นเรื่องเกะกะถนนกลายเป็นเรื่องอันตรายมันจะเกิดขึ้นมาได้แล้เวลาสมควรจะช้าก็ช้าสมควรจะเร็วก็เร็วเช่นเวลาง่วงนีจะมาช้าได้ยังไงก็ต้องแก่อารมณ์ตัวเองต้องทําให้เร็วกระแทกใครแรงขึ้นทั้งปะทะแรง เวลาจิตมันละเอียดประเนีดเงี้ยจะไปทําให้เร้วมันก็ไม่เห็นธรรมะที่มันประเนีดที่มันละเอียดที่มันลึกซึ้งมันจะได้พัฒนาต่อต่อไปเงี้ยเหมือนกับเราอาอรมณ์ดีๆีร่างกายดีๆคัดเต็มสวยสวยตัวไอ้กอไก่ใส่เติมสะอีเติมนอรหนูลงไปกินลึกสวยกว่า น, นั้นเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่เขียนรับประทานนี้มันก็รู้จักจะใช้อะไรก็ตาม มันจะรู้รู้กาลเทศะรู้ฐานะฐานะรู้ตัวรู้ตนรู้ชุมชนรูปประมาณพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาแต่พอดีก็มันอยู่หรอกนะเท่ากันที่สุดก็คือเราแต่ละคนก็จะมีเหตุปัจจัยเฉพาะตนเฉพาะตนกันเหตุปัจจัยรู้จริยนิสัยบางทีความกลัวนะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะกลัวสงสิง่เสงเดียวกันทุกคน บางคนที่ควรกลัวกับกล้าที่ควรกล้ากับกลัวบางคนกลัวแมลงตัวเล็กๆบางคนก็กลัวเข็มฉีดยาบางคนก็กลัวยางหนังสติ๊กบางคนก็กลัวความมืดบางคนก็กลัวคนมีหนวดบางคนก็กลัวคนหัวล้านบางคนก็กลัวคนดั้งงมก็บอกว่าคนดั้งงมเนีนะคดในข้องอในกระดูกตามวงจุ้ยอย่าไปคบเพว่าอย่างเงี้นะจมูกงมๆเาก็ว่ากันไป แต่ของเรานี่เรียกว่าเรารู้จักเขารู้จักเรานะรู้จักเพราะว่าท้ายสุดมันก็คือสิ่งเดียวกันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องของจริตนิสัยแต่เป็นเรื่องของความเป็นจริงที่มีในตัวเราแล้วทุกคนเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วนะในตัวเราแล้วทุกคน ความจริงประเภทนี้เราเป็นความจริงเราต้องมีสติมีปัญญาเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็หมายถึงสติที่มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันไม่ใ่สติสันชาตญาณสติสันชาตญาณคือสติที่มันออกไปนอกตัวมันก็เลยเป็นเรื่องของใครของเราะไม่เป็นไรอยู่ในโลกใบ น, นี้ใหม่อยู่เสมอเพื่อนก็เพื่อนใหม่อยู่เสมอเขาจะยังไงกับเราเขาก็ใหม่อยู่เสมอแล้ก็พร้อมที่จะเป็นคนดีมันยังแคม พร้อมที่พาตัวเองตุกการพ้นทุกข์เหมือนกับเราเหมือนกันก็จึงไม่ว่ากั น, นอยู่ร่วมกันทํางานโดยเฉพาะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องให้อภัยกันในกลุ่มนี้มีพยาบาลอยู่เยอะยกตัวอย่างถ้าเป็นอย่างพยาบาลคนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยเราจะทํำยังไงคนนี้เป็นพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้งหนึ่งเคยไปช่วยอาจารย์กนบลที่บ้านสอนธรรมะจัดปฏิบัติธรรมกัน ลงชิดทองบนนุ่มผู้เป็นพ่อเนี่ยนิมนต์ไปก็ใช้สถานที่ที่เป็นสวนมะไฟหวานของบ้านลงชิดอาจารย์กำบนปฏิบัติกันครั้งนั้นเป็นการปฏิบัติครั้งสุดท้ายของลวงชิดนะกลับมาม่กีวันท่านก็เสียชีวิตไปที่โรงบาลโกรกพระที่นั่นมีวิบาลอยู่คน เขาทำงานมีสามีที่ดีเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่กับสามีคนนี้หลังจากนั้นก็ตั้งครันขึ้นมาไปทํางานอยู่ดีๆเพื่อร่วมงานเรียนมาด้วยกันเล็กๆ เ, เลยตั้งแต่ระดับอนุบาลปถมมัธยมอุดมศึกษาจบวิชาชีพพยาบาลร่วมกันแล้วก็แถมมาทํางานที่เดียวกันอีกอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนมาหา นตั้งท้องอ่อนๆเพื่อนก็นมารูปหลังของเพื่อนแล้วก็พูดหดือยวน้ําเสียงเป็นมิดรนมีความนุ่นวลเธอขอโทษนะคำแรกที่พูดขอโทษนะตอนนี้เรากับสามีของเธอได้เสียกันแล้ว จะให้เราอยู่ในฐานะอะไรจะทำไง่ะทีเนี้ยถึงตรงนั้นเน่ยมันก็ตอมใจนั่นแหละเกินไม่เข้าใครไม่ออกมันก็เกิดมาล่าเหตุการณ์แบบนี้ท้ายสุดก็ต้องมานั่งแก้ไขกันเองฝึกสติว่าทำงานไม่ได้เลยงานการเนี่ยเบลอเม่อเสียผู้เสียคน การเอาจิตไปผูกกับสามีต้องอยู่กับฉันต้องอยู่กับฉันต้องเป็นของเราต้องเป็นของเรารถของกูบ้านของกูงานของกูตําแหน่งของกูโลกโก้เพื่อนกูตัวกูสารพัดในพวกนั้นท้ายสุดพอเราฝึกสติเราเห็นนะเออส่วนใหญ่เหตุปัจจัยวัตถุกรรมคุณบุคคลหนึ่งสองสาม มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเขาทั้งนั้นแต่เราจะอยู่ยังไงให้ไม่ทุกข์เราจะอยู่ยังไงให้เกิดสันติสุขสันิพัปไในจิตใจของเราจันเกิดมิถะภาพจันเกิดหน้าที่การงานที่เชื่อมโยงสัมพันธ์แล้วก็เป็นการรักษาใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นตลยใจเราให้คนอื่นรักษาไม่ได้ต้องรักษาเอาเองการจะให้ตัวหลงรักษามันก็พาไปทางรื้อหลงเองถ้ามีความกลุ้มอกกลุ้มใจกังวลวิตก ใช้สนคบเกลื่นไปวันวันหนึ่งหาเรื่องช้อปปิ้งหาเรื่องกินเหล้าเมาโซลาจนเครียดกินเหล้ารวยเครียดช้อปปิ้งเนี่ยมันไม่อยู่กับความรู้สึกตัวมีแต่เสียเงินเสียทองเสียสุขภาพนะเพราะฉะนั้นเราได้หลักของชีวิตมาที่นี่หลักของการฝึกสติก็คือกายกันไหวใจรู้กายทำอะไรใจทําด้วยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่ น, นตรงนี้มันเป็นสติน เป็นเกมของชีวิตเราที่เราจะต้องฝึกทุกวันเหมือนกับการกินข้าวเหมือน ก, การอาบน้าเหมือน ก, การใส่เสื้อผ้าเพราะมันเป็นอาภรเป็นคุณธรรมทำที่ประดับไปในจิตใจของเรามันจะเกิดคุณภาพชีวิตขึ้นไหมเพราะว่าสติปัญญาจะพาเอาคุณธรรมให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปสติจึงนําให้เราเดินทางสู่การพ้นทุกข์ ส ต, ญญออสติจะล้วงเอาบัญญาออกมาสติจะล้วงเอาอายชั่วกลัวบาปออกมาสติจะล้วงเอานเมตตาก็นาเมตตาเบียขาออกมาสติจะล้วงเอาความเมตตากรุณาเนะี่ยมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกิดความพอดีในโลกนี้นะีต้องอยู่ด้วยความพอดีมากไปน้อยไปไม่ดีนะเช่นเราบอกว่าพิติสุขเนี่ยดี ทำนมามากไปไม่ดีเลยนะครั้งหนึ่งเคยจัดไปตรธรทำที่จังหวัดเชียงรายนะของโรงพยาบาลพานหมอชื่อหมอหน่อยนะก็ชวนเอาครอบครัวมาเพราะว่าคนในโรงพยาบาลไม่มาชวนให้มาไม่มานะต้องบังคับมากันถึงจะมาครั้งนี้ให้สมัครใจมาพรากฏไม่มีใครมาเนื่องจาพระจากใจภูมิไปอย่างนี้มันไกลจะมีอยู่ห้าคนสิบคนก็กระไรอยู่ก็ชวนครอบครัวมา ญาติพี่น้องมาแม่มาปรากฏว่าแม่เนี่ปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยมาทําอะไรก็ไม่รู้ยกมือสิบสี่งวะทําวัดสวดมนต์ก็ไม่เคยทํามีความสบายนะถึงเวลานอนก็ น, นอนนุลากินก็กินมาที่นี่ถึงเวลากินก็ไปไหนกินถึงเวลานอนก็ไปไหนนอนต้องมานั้งสร้างชงหวาต้องมาเดินจงกมรมต้องมาทําวัดสวดมนต์ตื่นเช้าก็รู้สึกอึดอัดมาวันแรกก็ขอกลับเลยบอกว่าอาจารย์ ก็จะขอกลับบ้านอะนะปลาก็โอ้ปฎิฐานาดนะีเห็นโยมมาเห็นลูกค้ามาเห็นเหยื่อมาก็อยากจะปิดการขายนะก็เออในเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้น้อเนะี่ยก็เป็นเพื่อนสิพาปฏิบัตนะิสามวันเกิดปิติขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะคนคนเนี้ยจากคนที่เดินไม่ได้หลังควดหลังแข็งเป็นมาหวานไขมันเกินก็เดินได้ขึ้นมา พาเดินรอบป่ารอบเขาเนี่ยเดินได้สบายตามพระมีความสุขอย่างมากนะพอทานข้าวเสร็จกับวันหมอหน่อยที่ท่าไหนก็รู้ก็มาพูดกับแม่แม่แม่จินเจ้าแม่จินเจ้าภาษาเหนือนะฮักแม่ที่สุดเลยเจ้าแม่ก็ปลื้มใจขึ้นมาไม่เคยกอดกันะเช้าก็ไปทํางานแม่ยังไม่ตื่นเย็นกลับมาแม่ก็นอนหลับแล้ว แล้วก็ลูกก็รู้มากก็เก่งมากนะแม่ก็กลายเป็นคนโง่ไปเลยกลับไปบ้านถามแม่หมากินข้าวหรือยังทันทีที่จะถามแม่กินข้าวหรือยังแม่ก็น้อยใจเจนกทั่งวัว่าโอ้วันนี้มาพูดว่ารักแม่มากอดแม่โอ้มันประทับใจนะวิปัสสนากรรมฐานก็ดีที่สุดเลยนะแม่นะก็เกิดปลื้มใจพิติขึ้นมาลูกขึ้นเยืนนะกอดกันร้องไห้แล้วก็ แม่ปล่อยมือลูกนะหงายหลังตายการอากาศเลยขณะนั้นนะอันมาก็เออช่วยกันไม่ได้จริงๆนะนะอยู่ใกล้กันประมาณวารเดียวนะนั่งคุยกันตอนกลางวันหงายท้องเลยรถแอมบูลานก็อยู่พยาบาลฉุกเฉินก็มีแล้วก็หมอก็อยู่หลายคนมากโรงพยาบาลพันธุ์ก็อยู่ใกล้ๆไม่กี่เมตรเองนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าศพนี้ตายแล้วงามนะตายด้วยความสุข เข า, าก็บอกว่าเออศพนี้ต้องเอ า, งาธงศาสนาคุมให้ธงเหลืองะถ้าเป็นทหารก็ตายในสนามรบนะต่อธงชาติคุมะแต่จบนี้เร า, าธงศาสนาคุมกันแล้วกันนะเพราะว่าเห็นว่าเออก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรานะเป็นครูที่สอนธรรมะอาตมาแล้วบอกว่าดีที่สุดเลยการตายให้ดูแล้วก็มีรอยยิ้มเ ย, เย็นทั้งน้ําตา แล้วก็จบก็ผ่อนคลายหน้าตานี่มีสีเลือดเนะี่ยคนมีความสุขใหน้าตาเลือดฝานย่าชมพูแต่หน้าสีดเขาวไร้ลเลือดเนะี่ยอันนี้อันตรายแล้วนะแล้วก็จึงนะฝึกจริสติปลุ ก, กจิตของเราให้พอดีนะการตื่นรู้เนะี่ยพอดีพอดนะีถ้าตื่นมากไปก็เออก็ะเลกนะิกคึกขนองคึกคัก อันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของแบบโลกโลกนะวิถนะีที่ทําให้เกิดความประมาทได้อีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นความสุขก็ทําให้เกิดความประมาทได้ความทุกข์ทําให้เกิดความประมาทไดนะ้แต่เราผู้ที่ฝึกสตนะิเอาความสุขความทุกข์มาเรียนรู้กันนะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องเฉลยนะนะมันบวกก็กลับมาหาศูนย์จดศนมันลบหาจุดศูนเหมือนเดิมนะเครียดนี่เป็นลบทุกนี่เป็นลบลสุขนี่เป็นบวก ภาษาเจ้าเรียกว่าการ ม, มาสุขาหรือการนโยกอัตตากิรัตฐานนิโยกเมื่อจิตใจของเรามันอยู่ตรงกลางกลางดีแล้วก็เห็นว่าการวิบัติของเรามาเริ่มเผชิญอันนี้วรธรรมก็มีควา ม, มวงเเข่งหงเเา่นอนมาดักหน้าดักหลังเหมือนกันเราก็ผ่านมาที่ความรู้สึกตัวมีความลังเลสงสัยในทิศทางเดินมันเห็นอาการต่างๆไม่ได้คาตอบอย่าเราก็ผ่านด้วยความรู้สึกตัวมามีกาปรปลอขึ้นมามีพยาบาดปลอขึ้นมา เราก็ผ่านด้วยความรู้สึกตัวบางทีมันก็มีความคิดยุกยุกยิกๆโผล่ขึ้นมามากมายเหลือเกินโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างหลังสุดหลวงพ่ อ, เ, อเขียนเป็นพระรูปหนึ่งที่ผมราตมาในะเขาลบอย่างสูงสุดท่านก็พูดเอ๊ะหลวงพออ่อช่วงนี้นี่ต้นพยุงมันขึ้นสมองมันไม่ใช่ว่าไม่คิดกนะมันคิดแต่มันคิดเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนที่จะต้องทําในวันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วย มันว่างๆนะมันจะต้องเหมือนก็ว่ามีอะไรทำนะมันเอาความดีของโลกเข้ามากัดของโลกดีๆเข้ามาอาหารดีๆของโลกเข้ามาอาน้ำดีๆเข้ามาเอมิตรภาพดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆเข้ามาใช้นะเพราะฉะนั้นก็คืนความดีให้กับโลกเขาเรียกว่าสมดุลนะมันจะเกิดการใช้ชีวิตที่พอดีเมื่อผมฟังหรือว่าอาตมาฟังคําพูดของหลวงพ่อก็คิด เออหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่เดีเ๋ยวลๆนี้ท่านก็คิดถึงต้นยางขึ้นสมองต้นยางขึ้นสมองก็จนเป็นป่ายางตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วไปหาไกลยางมาปลูกอย่างทางเดนี้เห็ดละโอกเต็มไปหมดเราก็เลยเห็นเออคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เสื่องๆเซื่อเซื่อนะแต่ว่าเขาซื่อสัตยนะ์การรู้ซื่อเนะี่ย มันทำให้เกิดการซื่อสัตย์ตรงต่อความเป็นจริงกันมาตรงต่อธรรมชาติตรงต่อสัจธรรมะก็ตรงจริงๆก็ช่วยแก้ไขจุดอ่อนะหรือว่าปัญหาที่มันมีอยู่โดยมีพะละมีกําลังแล้วก็ทํำเหนือปุตชนคนทั่วๆไปซึ่งคนทั่วๆไปเวลาคิดก็คิดจนหมดแรงแต่ว่าคนที่เจริญสติเขาคิดเนี่ยก็คิดแล้วก็ลงมือทําทันทีก็คิดไม่นานแล้วก็ทําทันที มันเป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาแล้วก็ฉับไวแล้วก็มีพลังอย่างมากแม้แต่คิดนิดเดียวนะ่สามารถทําอะไรออกมาได้อีกมากมายเหลือเกินมันไม่ใช่คิดวกคิดวนเหมือนภายเลือนิยานคิดอยู่แน่ น, นะแต่ไม่ได้ลงมือทํามันไม่ใช่นะตัวนี้แหละจึงเหมาะกับพวกเรานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเป็นข้าราชการที่จะต้องทํางานโดยการเอาสติออกนาออกตาเนี่ย น, นะ ต่อไปนี้พยายามกําหนดเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาหายใจให้มีความสุขแล้วค่อยไปทำงานหายใจให้อร่อยแล้วค่อยไปทำงานตื่นมาสวดมนยามเช้าเหมือนกับทาวัดสวดมน์ขนาดนี้เสร็จแล้วก็ฝึกสติสักห้านาทีจัดเวลาเสริมสร้างจุดแข็งในชีวิตของเราแล้วหลังจากนั้นทางานมาทั้งวันนะ ขยะความคิดมันเกิดขึ้นบางทีเราก็วิตกกังวลนะบางทีก็โกรธบางทีก็เครียดอย่างเงี้ยนั่นเป็นขยะความคิดก่อนนอนแล้วก็วายผ้าสวดมนต์กราบผ้าให้ดีๆแล้วก็หลับไปด้วยสติอย่างเนี้ยทั้งวันแล้วก็เลอะลึกได้เมื่อไหร่ไกลขึ้นไหวใจรู้ใจมีสติแล้วลอะลิกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาหาความรู้สึกที่ตัวเราลมหายใจก็ได้ตากระพริบก็ได้ท้องพองยุบก็ได้นะไม่จําเป็นนะ จะต้องไปโยกมือสิบสีจังหวะที่ทำงานน ะ, นะพอคนไข้ไม่มีราว่างงานกันนั่งที่โต๊ะแล้วก็โยก1ิบจังหวะเต็มที่ไม่ต้องหรือว่าบางทีเรากลับไปนะระหว่างรับประทานอาหารระหว่างที่คอยอาหารอย่างเงี้ยไปนั่งยกมือ14บจังหวะในร้านค้างนี้ก็ไม่เอานะพยายามจัดสรรให้พอดีไปยุบดูอท้องพองยุค ก, ก, กระดิกนิ้วเบาๆกระทบสัมผัสก็ได้ ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความคิดรู้จักความคิดเห็นความคิดอันนี้มันจะสบายแล้วหลังจากที่สติดูกายแล้วก็ดูเป็นเห็นชัดว่ากายคืออะไรจนเป็นรูปธรรมแล้วท้ายสุดคือสติเห็นจิตเห็นชัดว่าความคิดคือนามธรรมเห็นอารมณ์ต่างๆเป็นนามธรรมรู้จักจิตที่ปกติรู้จักจิตที่ผิดปกติแล้วทาํามันรู้จักตัวสติสติจะรู้จักตัวมันเองอยู่แมันจะรู้จักสมาธิคืออะไรแล้วปัญญาเป็นแบบไหนตรงตรงนี้เราก็สะดวก ตรวกทําและหละกรรมฐานตรงไหนตรงไหนมันก็ใช่แล้วความเป็นปกติหรือว่าสติที่มารึกรู้เขามันตามกฎของธรรมชาติมันมีอยู่ถึตงตรงนี้มีเงินและเงินก็ช่วยเราออกดอกออกผลใช้เงินถูกก็เป็นผลกําไรยิ่ ง, ง่งขึ้นไปงานหลักก็ทํางานอิเล็ ก, ก็ทําในรูปแบบแล้วก็ทํานอกรูปแบบมันก็เกิดขึ้นมาเองมากมายแล้วเงินที่มันจะทําให้เราเหมือนก็ว่า ได้ ใ, ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีกำลังชีวิตต่อไปไงนะานะเพราะนั้นก็ขอให้ลนะักษณะของเราที่มารวมตัวการศึกษาปฏิบัติธรรมฝึกสติปัญญ า, า, า, านก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างพอดีใช้กายแต่พอดีนั่งเดินยืนนอนแต่พอดีใช้จิตใจใช้ความคิดแต่พอดีใช้อารมณ์ที่มีอยู่แต่พอดีจนะทั้งเนี่ยถึงเราเกิดความเป็นกลางเกิดความยุติธรรม ไม่เบียบเบียนผู้อื่นตัวเองและไม่เบียบเบียนผู้อื่นต่อไปอนะก็ขอให้ความปรไปดีของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการประพฤติประจำของเราทั้งหลายนั้นจนเป็นไปเพื่อการทําที่สดแห่งกองทุกข์นะเจ้าทั้งมีแต่ความสุขเกษมสาลก็ขอให้เกิดในวันชาตินี้เดียวกันทุกครูทุกนามเตอน